วันนี้เราจะเอาเรื่องพะมาาเสียเมืองมาเสนอต่อท่านผู้ฟังวรรณกรรมทางอากาศในตอนนี้กระผมได้ตั้งใจไว้ว่าจะรวบรวมเอาผลงานของหม่อมราชุงศคึกฤทธิ์ปรามโมชท่านมาออกอากาศตูกันฟังเพราะข้อเขียนของท่านเป็นคุณเป็นประโยชน์ ต่อการฟังมากวันนี้เราก็จะนำเอาพม่าเสียเมืองโดยคึกฤทธิ์ปราโมดมากันอต่อท่านณบัด น, นี้ครับเราจะเริ่มกันด้วย คำนำกันก่อนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าคำนำของหนังสือเร่มหนึ่งเร่มใบกฏตามจะทาให้เราได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเข้าอกเข้าใจเรื่องของหนังสือนั้นๆได้ดีขึ้นจากคํานำของหนังสือฉบับนี้มีความอย่างนี้ครับเรื่องพม่าเสียมืน ผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากบันทึกของชาวอังกฤษที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นหลายเล่มรายละเอียดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและราชการในกรุงอังวะนั้นได้จากจดหมายเหตุของคณะทูตอังกฤษที่ไปพมา่าในราชการพระเจ้ามินดง รืองหนังสืออื่นๆที่ฝรั่งแต่งไว้เกี่ยวกับเรื่อ ง, งมือพม่าจึงเป็นธรรมดาที่หนังสือเล่มนี้อาจเอนเอียงไปทางฝรั่งบ้างทั้งที่ได้ตั้งใจกันในขณะที่เขียนว่าจะเขียนให้เป็นพม่ามากที่สุดเท่าที่ผู้เขียนเป็นคนไทยจะทำได้แต่เมื่อเขียนแล้ว จึงรู้ว่าคนไทยนั้นเมื่อเขียนเรื่องพมา่าก็มีใจเอ็งเอียงเป็นไทยได้มากเหมือนกันนั้นสือเรื่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อา่านได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองพมา่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่ง พร้อมกับความเพลิดเพลินตามควดผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจให้เป็นตำรับตำราญในทางประวติศาสตร์แต่ก็ขอรับรองว่าข้อเท็จจริงและการเวลาต่างๆที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ผิดจากความจริงจึงหวังว่าท่านผู้อา่านจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็ น, น้อย ประโยชน์ทางความสนุกนั้นหวังว่าจะได้รับมากประโยชน์จากความรู้ทางข้อเท็จจริงนั้นจะน้อยไปบ้างก็ไม่เป็นไรขอขอบคุณสมัครพิมพ์กนะ้าวหน้าที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นในรูปเร่มอ at ันกระทัดรัดสวยงามคึกฤทธิ์ปราโมทหนึ่งธันวาคม สองห้าหง